ระหว่างเนี้ยสมาชิกจะได้แสดงคว า, ามเป็ น, นปสัมพันธ์เป็นรัหษาวันนี้เรามาพร้อมกันเพื่อร่วมพิธีบรรจุ อ, อ, อสุจิของหลวงพ่อคุณเสียนนั่นก็เป็นจุ ป, ปาจาที่เราทักถือคุณพ่อได้มารับนัายไปหลายเดือนแล้วแต่ว่าหน้าที่ที่เราจะต้องทำกับสิริราชหลวงพ่อก็ยังไม่ครบถ่วนสมบูรณ์ วันนี้ก็จะแสดงความติดต่อเป็นล่าของพ่อในขัง้งสุดท้ายก็ว่าได้นะก็คือว่าบรรจุผิดพลาดของพ่อลงอใต้สาวรสุนตระเจิดกระาจิที่หลวงพ่อได้สฝสมเอาไว้เช่นตอนที่หลวงพ่อแค่จะมาลับภาพท่านก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผิดของพ่อส่ออวนหนึ่งก็ให บรไว้ใ้ต้นจาหน้าสาาน้ำใสขึ้นรูปปุถุาก็ได้ปฏิบัติตามที่ท่านได้ระบุเอาไว้ทันทีหลังจ า, ก, ากที่ได้มีการมากง ร, รากงใจลักหลงพ่อเมื่อวันที่หกเช้าวัที่เจ็ดก็นำาบรรจุใต้ต้นจานหลวงพ่อมีความประสงค์ที่จะให้พิจกรรมหรือพิธิการเกิดหลว่อในเรื่องนี้น ไม่ยุ่งยากคับซ้อนแล้วก็ไม่พุ้นเคย์ท่ก็เห็นว่าไม่จะเป็นต้องสร้างเจดีอะไรให้ใหญ่โตเพื่อบรรจุอัฐิท่าของท่านแค่มาเ็ดไว้หรือว่าฟังไว้ใต้ต้นจานก็เพียงพอแล้วอีกตัวก็ไปบรรจุตั้งข้างอัฐิโพธิเทียนที่ลานหิโพ้งใต้โกงล้อธรร ม, มาจักรตรง น, นั้นก็มี ข้าขอหมายท่านอยู่นะโดยเฉพาะหลวอเกษียณและต่อไปก็จะเป็นกิจของธรมาด้วยหรว่าจะ้กไว้แล้วไม่ต้องไปมว้ไหนไว้ตรงนี้นะก็เป็นที่รู้กันว่าจิตไม่ไถ่ทานธรรมานี่จิไหนคือไม่ได้มีการทาอะไรพิเศษนะท่านก็อยากจะแห่จิของท่านได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพ่อหพ่อเจียนแล้วก็ได้อยู่ใกล้ลูกศิษย์ลกา ท, ที่ลัไกไปแล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็ท่านไม่จะลจากท่านไปไม่มีการทําอะไรเป็นพิเศษเฉพาะต่อตรงของพ่อและที่หวงพ่อตะปูให้อภิชาติของท่านาอยู่ใต้ต้นใจฝังไว้ใต้ต้นใจเพื่อจะได้กลับคืนสู่ธรรมชาติจะได้กลับคืนเป็นส่ว น, นของต้นไม้คนเราก็ออกมาจากธรรมชาติอาหารที่เรากินเลี้ยงดูชีวิตเราก็โดยหลัจากมาธรรมชาติแล้วก็เมื่อเราตาย เ้าก็คือสู่ธรรมชาติและเมื it it ่อเรคือสู่ธรรมชาติมันก็เข้าเข้ากับว่าใครช่วยหล่อเลี้ยงธรรมชาติด้วยเพราะว่ากลับคืนไปเป็นปุ๋ยก็ช่วยบำรุงเล้ยงต้นไม้อย่างต้นตาลต้นนี้ก็คงจะมีบางโ่นของพ่ออยู่ในนั้นและกาคงมีต้นไม้อีกหลายต้นที่ได้มีส่วนของหลวงพ่อด้วยก็เรียกว่าคือสู่ธรรมชาติและก็ทํำภาพรวมของสิ่งต่างๆธรรมชาติ ที่ริมมีชื่อของหลวงพ่อท่านพ่อปฏิทิเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติมาโดยตลอดโดยพ่อหลังจากที่หลวงพ่อท่านได้ก้าใจธรรมะท่านก็เปิดความรักธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็ปฏิทินนเพื่อการรักษาธรรมชาติที่หลวงพ่อท่านได้ย้ายมาตักหลักอยู่บนหนังเขาทัางสามปี 19-20 สในขณะที่รู้กษุนามองหลวงพ่อเทนสนใจก็อยู่ในเมืองเ่าอยู่ใช้เ ทำงานเดื่อาทยธรรมะกับคนในเมืองหลพ่ท่านก็เื่อที่จะมาบำเพ็ญกุศลโดยล้างเขาไกลจากผู้ไกลจากเมืองเพื่อนก็เพื่ อ, อนำรับธรรมชาติอีกสพ่วนก็เพื่อได้สอนญาโยมที่ไกลวัดไกลบ้านไกลเมืองก็คือพวกเราหรือว่า ถ้าเชื่อมท่านนอบจากการดำรงธรรมชาติแล้วก็คือการเผยแห่ธรรมะชีพของหลวงพอก็เป็นไปเพืชธรรมะกับธรรมชาติและเมื่อท่านต่วยนะก็สอนทำให้กับพวกเราจนกระทั่งวันสุดท้ายท่านก็รับสังขารไปอย่างสงบไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุรนทุร า, ายเป็การสอนทำให้กับเราว่าแม้จะเจ็บแม้จะป่วยแม้จะต้องตายมันก็ทุกข์แต่กาย แต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ทำได้เมื่อเราเค่อยแต่ธรรมะเมื่อเราก็คึงธรรมะนั้นชีวิของทา่านก็แปอยู่ต่วแล้วก็ตายจินไปเพ่ธรรมะและธรรมชาตินตัวท่านเมืเ่อละสังขาตายก็ก็อยากใ่้นก็อยากได้ให้อติธาขท่านไดเป็นสุขธรรมชาติือใส่ต้นชาตลอดกลางคืนไปดูต้นไม้ใบลญ้าแต่ว่าลูกศยก็ยังอยากจะให้ หลวงพ่ออมเสียนเป็นเครื่องเป็นใจแห่งผลงานความดีของท่านเพก็เลยอยากจะทําทที่หมายให้ชัดเจนว่าตรงนี้แหละคือที่ที่มันจุดอัศจรภาพของท่านะทะต้มีความเห็นว่าะจะทำเสากระสอบตางขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเป็นนิมิตเป็นเครื่องระบุเป็นเครื่องหมายว่าจะอยู่ด้นนของหลวงพ่นนอตรงนี้เพื่อที่ลูกศิลูกหา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 เรื่องตัวเองเท่าไหแต่ว่าต้องการจะให้เราแบบได้เข้าใจความรู้ที่ท่านปฏิัติเข้าใจวันว่าที่ทำให้ท่านเป็นอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งก็คือธรรมที่พระเจ้าได้สอนโดยธรรมะที่พระเจ้าได้เรียนรู้ในการจการขอ่านปฏิบัติด้วยการควาเป็นตัวทั้งที่ตรงนี้ที่มี เราาอยู่ตรงนี้ก็ขอเราได้ถนักว่าตรงนี้เป็นที่ที่จะเตือนให้เราเรื่ึกคถึงคำสอนของหลวพ่อไม่ใช่แนถึงหวงพ่อเท่านั้นการทึ่นงพ่อก็ดีแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอต้องนึกถึงความรักที่ท่านสอนทวาราที่ท่านได้แสดงท้งเกิดขวงมู่ทําเกิดการทำให้ดูทัง้อองเกิดการทำดูได้เห็นแล้วก็เจ็นให้เราตผัสได้ไม่ไดมาเห็นสาวกถูกคนจับคนนิรนามถกคนถือ การสอนและการปฏิบัติของหลวงพ่อจะเนมงคลให้กับเด็กที่อบเราแล้วก็จะเข้าว่าเราได้ใกชิดกับหลวงพ่ออย่างแท้จริงง่เห็นตัวเองแค่เห็นหน้าหรือไม่แต่จับจับชากจีวรก็ยังไม่ได้ว่าเห็นหลวงพ่อนะเวลาที่พระเจ้าเคยฝากหวพ่อรีบว่าแม่เคยจจับชายจีวรของเราก็ไม่เชื่อว่าเราแต่ใพระสุชาด้ก็คิดคำพิพาก ผู้ใดเห็นธรรมผู้นันเห็นเราสถาปน์ถ้าจันใดเขา้าฐานนั้นเราจะเห็นหลวงพ่อได้ก็ต่อเมื่อเราได้เห็นธรรมหรือว่ารู้ถึงธรรมที่ก็ได้สอนและเมื่อเรามาตรกสรูชาหลวงพ่อที่เรสส่งนี้ในวันหน้านะก็ขอให้เรียนยุคธรรมที่หลวงพ่อได้แสดงซึ่งก็ได้สรุปนะเป็นข้อๆไวนะ้ตรงตรงแทน ตารนั่นที่ปฏิสิทธิ์ของพ่อไว้นะเช่นเะห็นทุกก็ทนทุกไม่เป็นอะไรกับอะไรอยูที่ท่านอสอนชมหรือว่ารู้ซื่อซื่อเห็นไม่พอเป็นๆอันนี้แหละคือสรุปรวบยอดคํ า, ออ า, ออาอออสอนของพ่อทั้งวิธีการปฏิบัติแล้วก็มองการปฏิบัติด้วยก็คือว่าถ้าเรารู้ซื่อนซะื่อเห็นไม่พอเป็นเห็นอะไรนะเห็นกายเห็นใจความที่เป็นจริง เห็นความที่เห็นอารณ์ที่เกิดขึ้นกับใจตาที่เป็นจริงโวมทั้งเห็นทุกทุกที่เกิดขึ้นกับใจตัวที่เกิดขึ้นกับใจและถ้าเราเห็นไม่ก็จะเป็นพุนั่นหละที่จะแสดงธรามให้เราเห็นแสดงธรามอะไรนะก็คืออันนี้จะเทุกขังหน้าตาเพื่อให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นกัอะไรที่งึิ้นเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือม่นกับอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เป็นอะไรกับนะไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้ทุกข์ ไม่เป็นผู้ปว่วยแม้ในยามเจ็บยามป่วยนะมันก็ป่วยแต่กายแต่ ใ, ใจไม่ป่วย ด, ด้วยเพราะว่าไม่เป็นอะไรกับอะไ ร, รก็เลยว่าแม้เจอทุนกนะแต่ว่าอจิตก็ทนทุกได้อันนี้แหละคือคือสมบัติล้ำค่าที่หลวงพ่อได้มอบหมายกับเราและเราก็ควรจะน้อมรับทุกครั้งที่ได้เริ่มนึกถึงหลวงพ่อถ้าเรามีรูปหลวงพ่ออยู่ในบ้านหรือแม้แต่มีอัตติของหลวงพ่อมีอังคารมีผราหลวงพ่ออยู่ในบ้านแต่เรา ไม่รู้จักเห็นมัวแต่ข้อแก้นจหรือว่าเราไม่ปฏิบัติเพื่อรู้จักรูาจดูใจอยู่กับความหลไม่มีความรู้สึกตัวก็ถือว่าสิ่งที่เราเมีนั้นไร้ค่าอัติอังคาหรือพลาดถึงหลวงพ่อมันก็ไร้ไประโยชน์ถ้าหากว่าไม่เตือนให้เราได้เห็นถึงภรระหรือกระตุ้นเตือนใหเราทําความเพียรเพื่อจะได้เอาเป็นธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้สอน หรืออย่างที่หลวงพ่อได้เข้าถึงอันนี้เป็นหน้าที่นะของพวกเราทั่งหมดทุกสิ่งเราไม่ควรจะทําหน้าที่แต่เฉพาะศริราชหลวงพ่อสิริราชขหลวงพ่อนะีก็เป็นสัตว์แต่ว่าทาสนะซึ่งก็ต้องเสริมสลายไปตามครามชาติและไม่ช่วยเหลือคนผู้ไดเลยแต่ว่าสิ่งที่ช่วยเหลือคนผู้ใดคือคำสอนธระ อ, องท่านและนี่เป็นหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำ คือหน้าที่ต่อธรรมะที่ท่านได้สอนได้แสดงและได้ชีชีว์เพื่อพวกเราเพื่อภาษาศาสนาหน้าที่ต่อสวงลัณของหลวงพ่อกำลังจะจบสิ่งแล้วนะแต่ว่าหน้าที่ต่อธรรมะหลวงพ่อนั้นยังมีอยู่ต่อไปแล้วก็จะต้อง ส, สานต่อสืบทอเพื่อประโยชน์ส่วนของพวกเราแล้วก็เพื่อประโยชน์ส่วนของลูกหลานของเราในอนาคตและเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมภาษาศาสนา การที่พวกเรานะจะจปฏิบัติพลานหลวงพ่อใต้เสาโศกอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายว่าหุวงพ่อนนเนี่ยได้รู้ที่ชีวิตเพื่อสธรรมะที่รองท่านเนี่ยเป็นเส ม, มือนผาน ร, รองรับสนับสมมนุนศาสนาเห ม, มือนกับที่การจัดการเป็นส่วนที่สามที่ร้องรักเสาโศกเพราะโศกนี่หมายความว่า อ, อย่างไรนะเพาโศกนี่ก็เป็นเครื่องหมายที่เร า, าสโศได้ได้กําหนดไว้นะ เพื่อเป็นการปรฏิสฐานธุรกิจศ า, ษ า, ษาสนาเป็นเครื่องหมายของการปฏิสฐานธุรกศ า, าสนาซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยพู้สการพระเจ้าโศกเนี่ยนะจะตั้งเสาโศกตรงบริเวณที่สําคัญต่อพุทกิจศาสน า, า, สนาก็คือสถานที่พระเจ้าประสูตรอัสารุปริมิพานแล้วก็แสดงกัวมาเจ้าศาสนาแล้วก็พิธญนิยมมากมายเพื่อเป็นเครื่องหมายของการปรฏิสฐานธุทกิจศาสนาให้มั่นคงธุกรกิจศาสนามั่นคงได้เนะี่ย แต่ที่อินเดียเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเพราะพระเจ้าเพราะว่ า, า, าออนั้ก็คือสามารถผีอุตจารการถ้าไม่มีพระเจ้าศกปรนะ้าศานาก็คงจะไม่ก่ออุจนารแพทหลายในประเทศอินเดียแล้วก็สืบต่อมาจนกระทั่งบ้านของเราที่สมัยก่อนเรียกว่าสุวรรณภูมิพ ร, นะระเจ้าโศกนี่เป็นผู้ที่เผยแพร่ศาสนาไปทั่วอินเดียแล้วก็ไปประเทศอย่าเช่นอังกฤษพม่าแล้วก็รวงไทยนะ ตั้งแต่เมื่อสองสามวันทีที่แล้วแต่วฉพะที่อินเดียท่านั้นที่มีการปเางเพื่อสครามตั้งมั่นมานคงหลอกลวงตศาสนาติแล้วก็ทุกเย็นนท่านก็พิธีกรนะเพื่อการตั้งมันของศ่าสนาติแลตนที่ทาไปวันตอนนันก็ขยายไปต่วหลงเขาแล้วก็ขยายไปยังประเทศต่างประเทศแล้วก็ท่านก็ยังได้กาบแสดงความในต่างประเทศตาประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาปฏิบัติของพ่อไว้ใ้ความสงฆ์แล้วก็มีเรื่องหมายถึงการชื่องพ่อได้ที่ชื่อเพื่อการปฏิสถานพุทศาสนาเพื่อความตั้มั่นและมุงเนือมของศาสนาธรรมหะนั้ก็เราเนี่ยเมื่อเรามาที่นี่ในสายพันธ์หน้าเราศรัทธารักษาก็ให้เราเนี่ยใจล้วเนี่ย เร่องมีคนมาถูกตาวเรื่อมาหาตนก็คเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากว่าหลวงพ่อหเสียนะเหตุแบบนี้ฉันก็ขอให้เราได้รือนะได้บอกตัวอะไรเมื่อเมื่อตอนหน้าวอนหลังเมื่อเรามาที่นี่เราจะมาสักการะบูชาหลวงพ่อเราจะมาเปิดใจของเราเพื่อให้เขาถึงธรรมเราจะที่การนาอันตรายหลวงพ่อที่ตอนสามาธถที่จะไกเฝ้าโจ้หลว่นพวกนีเป็นอะไรแบบอะไร สืมาพูดน้หาเลข้ยมอะไรทิพย์นัืนสอเบอกเล่าบอขอความน้นมน่อมแต่ทิพย์นันก็ทิพยน้ว่าไว้มีความเพียรมีสติปัญญาจได้เห็นความข้อเห็นได้ด้อเห็นพังข้อเ็นได้ข้อนอันนี้ดีกว่าที่ดริงอันนี้ให้กับคนที่เราต้องทำกับพระองค์ราสิี้กรากดูวัวนี้เนี่ยายคนมมีพระองค์ายนี้านเา หลาคนก็อยากจะมีไว้ในครอบครองเพราว่นเานี่นยรครอรยนาไม่สำคัญเลยนะคาว่าเรามีแล้วเนี่ ย, ยาจาเาไม่ใช่ก็้เรามีแล้วเรามัวแต่สวดรรม้อนอนขออนาจ์สิทธิปฏิหา ร, รให้เราทรวยอันนี้ก็ือว่าเราเปันครอบครัวิชาวม า, า, า, า, า, ามดุลายนี่มากที่สุดครอบครัวด้วยกันพลาดถ้ารทำส่อนี้ก็จะมีผลย เพื่อถึงความสอดคองในชาตาเพื่อเราไดได้ทั้งบ้านที่จะเป็นเพื่ยนมีท่านที่ิ่านเป็นที่หมายไม่ใชมีความร่ำรวยมีความยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงเป็นที่หมายอนันต์เจ้าปฎิไม่เราควรจะปฏิบัติต่อพระองค์โดยพระท่าเป็นความดีเพื่อส่งเสริมธรรมะในใจเพื่อเพิ่มภูมิพลเพื่อเพิ่มภูมปัญญาดุิชานในใจเราไม่ใช่เพื่อครอบคุมความหลงเพิ่มภูมที่ไหนตัาหา ว่า ส, สร้างวิชาขึ้นมาในใจเราอันนี้ก็ในทมให้เราสมงพิจารณาว่าก็ประกอนบพทานถ้าได้หลวุททานที่ได้มารวบกันถวาย น, าานั่งรับานมีอาหารเป็นต้นให้กับพระสงฆ์นีนนะเพื่อจะได้ร่วมกันมาประกอบที่รีันนี้ให้สำเร็จเส้นด้วยดี แล้วก็ใต้สุ่ที่ของเขาบ้างคุณก็ศึกษาไตรย์นำะหนวยอุปสนให้ทุกท่านได้เจอเรื่องอายุวนาสุขาพรละเพื่อเป็นเพราะปัใจจัยในการสร้างเสริมประพฤชปฏิบัติธรรมให้เจริญงอกงามในใจเพื่อให้เกิดปัญญาพาจะใความทุกข์ก็ถความสุขเกษสารมีพระที่พันไปที่หมายสมกับความสัมสอนของพ่อที่ได้กระตุ้นเตือเรามาทั้งชีวิตให้คาสอนของหลวงพ่อได้สถิตในใจเรา และเป็นเพื really Sorry, was, uh, really really ่องรักษาจิตให้จสงบและเข้าถึงพระนิพพานด้วยการกเชิะสาธุ